เราสวดมงคลนั้นน ะ, ะมงคลนั้นก็เชื่อว่าเป็นพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์แสดงมงคลนั้นนะอย่างมงค์นี้เป็นข้อปฏิบัติในการใช้ชีวิตทั้งผู้ที่อยู่ในเพศคารวาทั้งอยู่ผู้ที่อยู่ในเพศบรรณชิตว่าการปฏิบัตินั้นจะต้องเป็นไปตามหลักของมงคลมงคลนั้นแปลว่าเหตุแห่งความเจริญ พว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมนั้นจะประสบแต่ความสุขและความเจริญถ้าหากว่าปฏิบัติแล้วความสุขยิ่งขึ้นมีความเจริญมากขึ้นเนี่ยนะโดยเฉพาะจิตใจเนี่ยนะนิวรณ์ทั้งหลายไม่กลุ่มร่มบาปอากุศลทั้งหลายไม่รุมเรา้าก็แสดงว่าเป็นเบื้องต้นของการเจริญคุณธรรมชั้นสูงต่อๆไปเพราะว่าไม่มีกุศลธรรมเหล่าใดที่เกลือกลัวด้วยความเศร้ามอง นี่ย้อนกลับมาว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั้นล้วนแต่เป็นผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในมงคลมงคลนั้นถ้าเป็นเบื้องต้นๆเนี่ยนะโดยทั่วๆไปก็คือกลุ่มบารมีทั้งหลายนั่นเองอการบาเพ็ญหรือการปฏิบัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยเราจะสังเกตดูว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั้นจริงๆพระองค์คบคนผ่านหมะนะพระพุทธเจ้าเองไม่คบคนผ่าน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 สัตว์โลกข้ามได้ด้วยพระองค์คิดอย่างนี้เช้าบ่ายเช้าบ่ายเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ตั้งอัตตสัมมาปณิทิทุกวันนั่นแหละตั้งไว้เสมอว่าพระองค์จะช่วยผู้อื่นด้วย ต, ตอนเช้ามืดรุ่งอารุณพระองค์ก็พิจารณาตรวจดูสัตว์เพื่อจะช่วยเขาอันนั้นเป็นความตั้งใจของพระองค์บ า, บายอีกพระองค์ก็ตรวจดูอัธยาศัยเพื่อจะช่วยเวนยัยสัตว์ทั้งหลายเพระนั้นพระองค์ก็เป็นผู้ที่อยู่ในอัตตะสัมมาปณิทิตั้งตนไว้โดยชอบ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 ปหานวินัยและสิ่งเหล่านี้พระองค์ศึกษาศิกขาคือการนึกถึงการคิดถึงการไข้ครวนการพิจารณาการอธิษฐานจิตในสังวรวินัยในปหานวินัยเนี่ยนะคือพระองค์นั้นอยู่ในวินัยโดยการปฏิบัตินั้นพระองค์นั้นเป็นผู้ที่เข้าใจในสิ่งที่พระองค์ปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ไพ่บูรณ์และบริบูรณ์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 ส่วนโดยวัตถุนี่ไม่ต้องห่วงแล้วเพราะว่าบิดามารดาของพระองค์นั้นเป็นผู้ที่เป็นพระราชามหากษัตริย์ท่านหนึ่งเป็นมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อีกท่านหนึ่งก็เป็นเทวดานะส่วนการสงเคราอบบุตรหรือการสงเคราอบภรรยาเนี่ยนะพระองค์ก็ทําอย่างสมบูรณ์พระราหุลไปขอโภกทสัพย์พระองค์ก็บอกว่าโภกทสัพย์เหล่านั้นเป็นไปในวัตตะไม่สามารถทํา ไม่สามารถที่จะทําที่สุดแห่งทุกข์ได้พวกข้าทรัพนั้นเป็นไปเพื่อโสกกระปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตพระองค์ไม่มอบขุมทรัพย์ทั้งสี่ขุมที่ผุดขึ้นพร้อมกับการประสูตรของพระองค์ให้แก่พระราหุลพระองค์ให้อริยทรัพย์แก่พระราหุลให้ภาษาบุตรบวชให้ชั้นต้นด้วยการให้สารณะให้ศเศนให้สมถะให้วิปัสนาให้ความสํารวมกายวาจาใจ ในที่สุดพระองค์ก็ให้โพธิปัจจะธรรมให้อเรียมมักประทานสามัญญผลพระราหุลจึงเป็นผู้มีวิชาสามปฏิสามพิทาสี่อภินญาหกถึงความเป็นสาวกผู้ใหญ่นะเพราะว่าอันนั้นพระองค์ก็ประทานโลกุตระทรัพย์ให้สงเคราะห์บุตรส่วนสงเคราะห์ภริยานะพระองค์ก็แสดงธรรมให้พระนางยโสธราเนี่ยนะบรรลุเป็นพระโสดาบันตอนล้างนางก็ออกบวชตรัสรู้เป็นพระอรหันต์นั้นพระองค์นั้น เกี่ยวข้องกับผู้ใดก็ยังผู้นั้นให้พ้นภยัพนภยพ้นทุกโดยประการทั้งปวงส่วนพระองค์นั้นอะไรอนาวัตชานิกรรมมาเนี่ย อ, อนากลาจกรรมมันตาพุทธกิจเหล่าใดที่พระองค์ควรบำเพ็ญพุทธกิจอะพุทกิจเหล่านั้นพระองค์บัพติบัติโดยไม่อากูลไม่ปฏิกูลไม่เสียหายะนะไม่มีผู้ใดครหาติเตียนได้ว่าได้เลยว่า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 แต่ถ้าบัณฑิตใคร่ครวญเช้าเย็นใคร่ครวนทุกม่ําเช้ า, ครครชาแล้วติดเตียนผู้ใดหรือสรรเสริญผู้ใดตรงนั้นเอาเป็นประมาณได้เพราะเขาไข่ครวนดีแล้วเขาเข้าใจว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยหมายถึงอะไรเพื่ออะไรและทําไมเพราะว่าบัณฑิตทั้งหลายเมื่อจะตำหนิก็ตําหนินเพื่อให้พ้นทุก์จะชื่นชมก็เพื่อสรรเสริญข้อปฏิบัติว่าปฏิบัติดีแล้วถ้าตําหนิเขาโม่งควมโ่งการแก้ไข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 ธรรมทานเพราะปัจจัยสี่เหล่าใดที่ควรสงเคราะห์ภิกษุสงฆ์ปัจจัยสี่เหล่าใดที่สงเคราะห์ควรสงเคราะห์เวนยศัตว์พระองค์ก็อาศัยบุญของพระองค์นั้นเพื่อช่วยสงเคราะห์เวนยศัตว์เหล่านั้น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 ธรรมะโดยไม่มีส่วนเหลืออย่างที่พระองค์บอกว่าไม่มีอะไรในกรรมมืออาจารย์สิ่งเราใดที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขพระองค์ให้สิ่งเหล่านั้นอย่างดังที่พระองค์ตั้งความปรารถนาให้ดุดโมก ค, คว้นถ้าเขาจะเป็นพระพุทธเจ้าได้พระองค์คงยื่นความเป็นพระพุทธเจ้าให้แหละนะแค่ว่าเหมือนอย่างที่ว่าถ้าเขาสามารถรองรับสมบัติได้ทั้งแผ่นดินพระองค์ก็จะยกแผ่นดินให้แต่นี่เขาจะได้ตามความปรารถนา ตามสมควรแก่ใจเจตนารมของเขาตามอัธยาศัยของเขาพระองค์ก็ให้ให้เขาเหล่านั้นได้สมความปรารถนาส่วนบรรดาผู้ที่ประพฤติสุจริต ธ, ธรรมเนี่ยนะประพฤติ ธ, ธรรมจริยาสมจริยาประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตประพฤติความสม่ำเสมอทางกาย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 หรือเมืองโกรย่เนี่ยนะสงเคราะห์ญาติทั้ง ส, สักยะวงและโกรยะวงสงเคราะห์ญาติเหล่านั้นให้ตรัสรู้อัมตะธรรมไม่ใช่น้อยน้อยมากที่จะไม่บรรลุโดยมากก็ตรัสรู้ธรรมเพราะนั้นนั่นเป็นการสงเคราะห์ญาติของพระองค์นะสงเคราะห์ญาติให้มีได้มีโอกาสได้บวชหรือแม้แต่ญาติที่เคยเป็นเดียร์ีก็ไม่ต้องมาประพฤติวัดของผู้ที่เคยเป็นเดียร์ีมาก่อนเพราะเป็นญาติของ พระพุทธเจ้าก็มีสิทธิพิเศษเพราะพระองค์สงเคราะห์ญาต น, นะของพระองค์ก็อย่างว่าญาติของผู้ใดถ้าผู้นั้นไม่สงเคราะห์และจะให้ใครสงเคราะห์พันุญาติของพระองค์พระองค์ก็สงเคราะห์ญาตเนี่ยนะขนาดสัตว์อื่นพระองค์ยังส่งเคราะห์เลยจะกล่าวไปยายถึงญาติทั้งหลายแล้วก็พระพุทธเจ้านั้นอ น, นะอนัวาชานี้พระองค์ไม่มีสิ่งใดที่เป็นโทษเลยการกระทําเหล่าใดที่มีโทษไม่มีอยู่ใน พระพุทธเจ้าเพราะการกระทําทุกอย่างของพระองค์เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เวนัยศัตว์ทั้งหลายทุกอย่างของพระองค์แม้แต่สำนวนว่าแม้แต่ไอยังมีประโยชน์ต่อสัตว์นะโดยที่สุดแม้พระองค์ไอเนี่ยนะแสดงทำไปแล้วก็ไอแล้วก็มีคนพูดขึ้นมาพระองค์ก็ยังอาศัยการไอนั่นแหละสอนทำนะพั้นพระองค์โดยที่สุดแม้แต่ไอก็ยังไอช่วยเขาเหมือนกันะจะกล่าวไปยัยถึงอย่างอื่นพระองค์นี้เป็นผู้ที่ ทำทุกอย่างปราศจากโทษเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สัตว์อย่างแท้จริงส่วนผู้ที่ละอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปละเว้นบาปไม่มีบาปเหลืออยู่ในใจเลยพระพุทธเจ้าจึงไม่มีบาปเหล่านั้นแม้แต่นิดเดียวพรานงดเว้นจากความชั่วทางกายวาจาหรือความชั่วทางใจอารติวิรติปาปาเนี่ยนะความชั่วสารพัดชนิดพระองค์ได้ละครบถ้วนสมบูรณ์ละได้หมดแล้วเนี่ยนะ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 นะพอพระ อ, องค์ปั้นมาเป็นหนึ่งคำปั๊บเทวดาใสโอชาทิพเข้าไปแล้วก็ฉันทุกคำไปเนี่ยนะถ้าหากว่าเป็นแรกตรัสรู้นั้นอนะ่ะอาหารทั้งหมดเนี่ยเป็นผสมอาหารทิพหมดเลยและมือสุดท้ายก็เป็นอาหารที่ผสมอาหารทิพแต่ถ้าโดยปกติทั่วไปนั้นพระ อ, องค์หยิบปั้นขึ้นมาหนึ่งก้อนเทวดาก็ใสโอชาทิพเนี่ยนะ เหมือนกับเราหยอดอะไรสักอย่างหยอดซีอิ้วหยอดน้ำปลาหยอดน้ำอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะหรือมีน้ำจิ้ม น, นะแต่นี่หมายถึงทิพโอชาเนี่ยนะพระองค์ก็เป็นอย่างนั้นไม่เมาในพัตตาหารไม่เมาชีวิตเนี่ยไม่ใช่ใช้อยู่ด้วยความเมาเมาในเมาในการหลับเมาในการไม่มีความเมาโดยที่สุดแม้แต่เป็นพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นผู้ที่ไม่มีความมัวเมาจะกล่าวไปใหถึงน้ำเมาที่พระองค์จะดื่มกินไม่มีเนี่ยนะ เพราะพระองค์มองเห็นว่าเป็นน้ำที่ชั่วร้ายที่สุดในบรรดา น, น้ำทั้งหลายเป็นน้ำที่เลวร้ายมากร้ายขนาดไหนก็ขนาดว่าพ่อตายเย้าลูกสะพยได้ก็แล้วกันนะนะเลวร้ายขนาดนั้นแล้วบอกว่านะอ่าพระองค์นั้นอัปปมาทโทจะทำเมโซผู้ที่อยู่ด้วยความไม่ประมาทเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่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 พังแม้แต่การบัญญัติพระวินัยแก่ภิกษุทั้งหลายก็เพราะอะไรเพื่อความรับว่าดีแห่งสง น, นะนะเพื่อรับอนุมัติ น, นะนะอนุมัติแห่งสง์คําว่าสง์ในที่นี้คือคู่แห่งพระอริยะบุคคล4คู่นับเรียงตัวบุคคลได้8จําพวก น, นะนะไม่ใช่เอาอิเละเคขะที่ไหนมาเข้าสังคสภาแล้วออกสิทธ์ออกเสียงไม่ใช่หมายถึงว่าหมู่พระเรียเจ้าทั้งหลายเอาหมู่พระเรียกเจ้าเป็นประมาณผู้เสมอกันด้วยศีลและทิฏฐิเป็น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 แล้วพระองค์จึงสอนธรรมพระองค์จึงกล่าวธรรมจึงประกาศธรรมเพราะพระองค์นั้นมีมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยนะไม่ลำพองว่ารู้จักพระพุทธเจ้าน้อยไปอย่างนี้นะไม่มีประโยคเหล่าใดที่จําเป็นไปเพื่ออ้อวกยิงพยองลำพองไม่มีเว้นไว้แต่ประกาศภาวะที่เป็นจริงครั้งข่าวว่าถ้าชนเหล่าใดจะตรัสรู้ได้เพราะการกล่าวถึงคุณของพระองค์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 พระองค์ก็คงจะผ่า ก, ก้อนหัวใจให้เขาดูนะแต่ว่าไม่มีผู้ใดถึงขนาดเห็นหัวก้อนหัวใจของพระองค์แล้วบรรลุพระองค์เลยไม่ได้ทำเหมือนนั้นเพราะฉะนั้นพระองค์นั้นไม่มีความลำพองว่าเราคือพระพุทธเจ้าแล้วก็แบบพยองจนถึงขนาดว่าดูหมิ่นเหยียดย้าําดูแคลนไม่นะแม้แต่ผู้ใดที่พอจะตรัสรู้ได้เขาเหล่านั้นอยู่ในกองอุจระพระองค์ก็ไปช่วยเขาอย่างชัมพุกะชีวกเนี่ยนะ กินอุจระพระองค์ก็ไปช่วยเขาบางพวกเปลือกนั่วยอยู่ด้วยฝุน่นทุลีบางคนนี่อาชีพเทอุจจระว่านน้นพระองค์ก็ไปเพื่อสงเคราะห์เขาเพราะพระองค์มีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีความเย่อหยิง่งไม่มีความลำพองเหมือนอย่างว่าแผ่นดินไม่ยินดียินร้ายในของที่เขาเอาไปสักการะหรือติเตียนฉันใดพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เป็นเช่นเช่นนั้นเนี่ยนะถ้าที่ใดพอที่จะช่วยให้เราสัต ตรัสรู้ได้ถึงจะอยู่ไกลแสนไกลพระองค์ก็ก็ไปแต่โดยปกตินี่พระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนนะว่ากุลบุตรผู้มีศรัทธาแล้วเข้าไปหาเมื่อเข้าไปหาแล้วนั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้แล้วเงี่ยโสตลงฟังโดยปกติพระองค์ดำรงอยู่แบบนั้นแต่มีบางกรณีบางกรณีถ้าพระองค์ไม่ไปเขาจะเสื่อมจากประโยชน์เช่น ไปโปรดโจรองค์ลิมานถ้าพระองค์ไม่ไปเขาจะฆ่าแม่เมื่อฆ่าแม่พระพุทธเจ้าเป็นพันองก็แก้ไขไม่ได้เนีย่ยนะต้องอนันตริยกรรมแท้ที่จะไปเอเวจีหรือแม้กระทั่งปกกุศลเตอีกไม่นานคืนเดียวก็ตายแล้วเนี่ยนะนพระองค์ก็ไปก่อนที่เขาจะตายพาหยะกุลบุตรพระองค์ก็รู้พระองค์ก็รอคอยเขาหรือแม้กระทั่งพระองค์ไปต้อนรับพระกัสสปะเนี่ย น, นะไปต้อนรับพระเจ้า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 กระตันยูเนี่ยนะกระตัยูรู้คุณของคนอื่นทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นคนอื่นเหล่าใดที่มีคุณต่อพระองค์พระองค์ระลึกได้หมดไม่ลืมเลือนออย่างเราสังเกตดูบางท่านเนี่ยนะพระพุทธเจ้าทนให้ภิกษุเหล่านั้นบวชอยู่ในพุทธสัมนักอยู่ได้ทาไมเราก็งงมากเลยนะแต่บางทีแล้วภิกษุเละเธอะรูปนั้นอดีตชาติเป็นพ่อของพระโพธิสัตว์ บออ๋อมีน่าและพระองค์จึงเถให้บวชอยู่ในสำนักได้ทั้งๆ ท, ง ท, งที่ทีอทําอะไรหลายๆอย่างน่าเกลียดมากเลยนะ <S <S ไม่เหมาะเลยที่จะอยู่ในพุทธสํานักแต่บางชาติดกพระองค์เล่า ว, ว่าพระอุทายีเนี่ยเคยเป็นบิดาของพระองค์ในอดีตชาติเป็นพราหมณ์แต่ก็อดีตก็โง่แบบนี้แหละเดี๋ยวนะอดีตก็โง่คล้ายๆกับปัจจุบันนี่แหละแต่ก็เคยเป็นพ่อเนี่ยนะแล้วก็ไปโปรดอะไรนะ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 พรามค์คนนั้นก็คือราธะพราหมเนี่ยนะเคยใส่บาตรให้แก่พระสารีบุตรหนเดียวทัพพีเดียวแล้วพระองค์ก็ถามว่าใครระลึกถึงคุณของราธะพราหมณ์ไดบ้างพระสารีบุตรก็ออกมาเพราะอะไรถ้าพระองค์ไม่ใช่คนกระตัญญูพระองค์จะถามแบบนี้ใช่ไหมพระองค์ไม่ถามหรอกถ้าพระองค์เป็นคนอักกระตันญูนั้นนะนะก็หาทางที่บอกโอ้ยแก่แล้วบวชทําไมเป็นต้นเนี่ยพระองค์จะไม่ไม่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 มีพระพิสูรรูปหนึ่งเริ่มแสดงธรรมพระองค์ก็เสด็จไปพอดีว่ายืนฟังตรงนั้นจนสว่างนะจนสว่างเลยนะยืนฟังธรรมจนสว่างเพราะพระองค์เป็นผู้ที่เคารพธรรมและมีศรัทธาชอบฟังธรรมพระพุทธเจ้าชอบฟังธรรมมีอยู่ครั้งหนึ่งพระองค์ให้พระโสนกุติกันนะกล่าวสารพันยะให้ฟังกล่าวธรรมให้ฟังพระองค์ก็ฟังธรรมพระองค์ไม่สบายก็ให้พระจุนทะแสดงโพชงให้ ฟังนั้นพระองค์ก็เป็นนักฟังธรรมเนียนะหรือบางทีพระองค์บอกว่าก่อนที่สาวกเหล่าใดจะปรินิพานพระองค์ก็ให้สาวกเหล่านั้นแสดงธรรมให้ฟังก่อนแล้วค่อยปรินิพานนั้นคำภีอับปทานทั้งหลายโดยมากเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังนะเล่าว่าข้าพระองค์ไปทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ทําบุญที่นั่นที่นี่เมื่อ น, นั่นเมื่อ น, นี่ถวายของเช่นนั้นเช่นนี้พระพุทธเจ้ารู้หมดแหละแต่ทําไมพระองค์ฟังเพราะพระองค์เป็นผู้ที่มีมีศรัทธาที่จะ ฟังธรรมเนี่ยนะกาเลนะธรรมสวนาง์เพระพระองค์จึงเป็นผู้ที่มีมงคลเนี่ยนะเพราะเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ถ้าพระองค์ไม่ยินดีในการฟังสอบถามสมมาณพราหมณ์เพื่อการฟังพระองค์ก็เป็นพระผู้แตเจ้าไม่ได้เนี่ยนะเพราะพระองค์เป็นผู้ที่รักการฟัง